เอานะ่าอย่าซีเรียกเรื่องก็ดีก็ดีก็ดีด <ś led> ในวัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อกำลังสนทนากับกระทาชายนายหนึ่ง ถึงการดำเนินชีวิตเป็นตอนๆซึ่งระหว่างนั้นหลวงพ่อจะพูดดีเสมอกับคารวาสเพราะพระต้องมองโลกในแง่ดีคารวาสเอ่ยว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะบวชครับก็ดีจะได้เป็นคนสุขและต่อมาท่านก็บวชให้หลวงพ่อครับผมอยากสึกครับ กอดีจะได้ไปทามาหากินแล้วท่านก็สึกให้เขาพอสึกไปเขาก็กลับมาหาท่านอีกหลวงพ่อครับผมอยากมีเมียผมจะแต่งงานเร็วๆนี้ครับกอดีจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นหลักเป็นฐานเสียที เขายิ้มอย่างปิติแล้วจากไปประมาณหนึ่งปีต่อมาหลวงพ่อครับเมียผมคลอดลูกเป็นชายครับก็ดีจะได้มีผู้สืบสกุลอีกหลายปีเข้าหายไปแล้วกลับมาร้องไห้โ ฮ, โฮว่าหลวงพ่อครับลูกชายผมตายแล้วครับ กอดีจะได้หมดห่วงไม่ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามองอะไรนี่แง่ดีโลกนี้ก็มีความสุข